โอนน้นี่มนมันเพศที่เราเข้ามานี่เป็นเพศเป็นการประกาศคาสอนอ่าคือพูดที่จริงโดยความหมายจริงๆไม่ต่างเดี๋ยพูดโดยโดยเพื่อจะทำให้เกิดความเข้าใจนั้นแยกให้ต่าง แยกให้ต่างเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวว่าในชั้นของกุศลศีลจริงๆง่ะเราไล่ลําดับไปยันอะรียมัตนี่นะแต่ว่าจริงๆในชั้นต้องการก็จะต้องการพูดเพื่อเพื่อเห็นการละเพื่อต้องการชี้เห็นประเด็นนะั้ะติดต่างติ่ต่างอยู่นั้นในปราสนาเช่นว่ากรณีเหตุการณ์จะพูดถึงในชั้นของการอบรมอินทรีย์อ่ะใช่ไหมท่านจะพูดอีกอีกมุมหนึ่งอะยังยกตัวอย่างเลยนะทั้งนั้นนะยังยกตัวอย่างเช่นว่า วิตรกรมเนี่ยการไม่ก้าร่วงท่านจะใช้ศัพท์คำว่าไม่ก้าวล่วงเช่นไม่ก้าว่วงปานาติบาไม่ก้าร่วงอาทินนาทานไม่ก้าว่วงกาเมุวิชฌานไม่ก้าวล่วงมุสาวาสไม่ก้าร่วงปิสุนาวาจาไม่ก้าวล่วงสัมปภาลาปารไม่ก้าว่วงอภิชาไม่ก้าวล่วงพยาบาทไม่ก้าวล่วงความเห็นผิดอันนี้เป็นสิ่งเนี่ยนะถ้าท่านในชั้นกรณีที่อินทรีห้า สรัทธาวิิยาสติสมาธิปัญญาเป็นต้นก็คือการน้อมออกใช่ไหมออกจากปานาธิบาใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะออกจากปานาธิบาตาทินนาทางคำเมสุนิชาจา์มุสาวาทปิสนาวา จ, พรร า, ว า, จาพระสวาจาสัมภาราปะอภิชาพยาบาทวิช า, าทิฏฐิออกจากการมชันท้าด้วยเนคคัมมะออกจากพยาบาทด้วยเมตตา ออกจากผีนามิทะด้วยความกําหนดแสงสว่างออกจากอุทธะจากปุกุจ่าด้วยด้วยสมาธิด้วยความตั้งมั่นอย่างเงี้ยนะออกจากวิชิกิจชารด้วยการกําหนดธรรมออกจากอารติคือความไม่ยินดีด้วยด้วยความยินดีร่าเริงในธรรมออกจากอาวิชชาคือความไม่รู้ด้วยปัญญาด้วยญาณะอย่างเงี้ยถ้าใช้อินทรีย์ก็อธิบายอีกมุมหนึ่งแต่สรุปจริงๆก็คือว่า ในชั้นของการว่าต้องอยู่ในระดับระดับที่ดูเข้มข้นมากกว่าศีนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียดตรนั้นกางกยจะอธิบายใช้ใช้ศัพท์แล้วก็ใช้ความหมายในในมุงต่างแต่แต่ที่สุดจริงๆก็คือว่าในชั้นของศีจริงๆก็คือเจตสิกธรรมใช่ไหมคือเจตนาเจตสิกถ้าในส่วนของเจตนาเจตสิกถามว่าแม้แต่ในชั้นของการจะออกจากอากุตลธรรม ท, ทั้งหลายต่งตาง ตรงนั้นต้องมีเจตนาเกี่ยวข้องไหมมีต้องมีสังวรเกี่ยวข้องไหมต้องมีพวกเจตสิกศีบังกลุ่มต่างๆนี้เกี่ยวข้องไหมก็ต้องมีอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมแต่ว่าเราท่าจะใช้ในแง่ของอินทรีย์ท่านก็จ ะ, สะแสดงแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นในการสแสดงธรรมของพระโรมัสซาสดาเนี่ยขบับเน้นเรื่องการละกิริษใช่ไหมเพื่อต้องการที่จะให้เราเนัน้นพ้นจากวัฏจักมีมีต้องต้องเข้าใจอย่างนี้น ฉะนั้นที่บอก อ, อ, อาจารย์ทั้งหลายคือความทุศีนทุกอย่างเนี่ยชื่อว่า อ, อาจารย์ที่สยู่ในาศาสนา น, นี้ก็ไม่สําเร็จนเนี่ยคำว่าย่อมสําเร็จการเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพการให้ไม้ไผ่การให้ใบไม้การให้ดอกไม้ผลไม้แป้งสนานกายไม้สีฟันความเป็นผู้ประจบประแจงความเป็นผู้พูดเหมือนแกงถั่วพูดเหมือนแกงถั่วหรือพูดจริงคนเท็จน่ยสุกสุกดิบดิบในแกงถั่ว ใช้ก็่แกงตัวไหมยอพูดจริงคนเท็จเนี่ยมีคำจริงอยู่แต่ในนั้นก็มีคําเท็จอยู่ลักษณะเนีย่ยพระเป็นต้นเนี่ยหรือบุคคลรักษาศีลก็ต้องหมดเว้นหรือเป็นผู้รับเลี้ยงเด็กยองก็จะไปทำโดยละบอกเอากระเด็งกรวากอะไมาไว้ก็ได้เงี้ยเนี้ยรักใครเป็นอาณาจารย์พระเขาไม่คุยนี่เป็นต้นใช่ไหม่วนนาจาระก็คือนะตรงกันข้ามนั่นเอง ก็คือความไม่ร่วงละเมิดศีลทั้งหมดเป็นอาจาระเห็นไหมสรุปก็คือว่าตรณีศีลทุกประการเนียนะและที่เรารักษาด้วยครับการขับเน้นในการรักษาศีาาลในโยธรรมสังเกตอย่างนี้ยสังเกตว่าต้องเข้าใจตโยเจตนาเจตสิกสังวรนวิติกามะให้ชัดถ้าเข้าใจชัดเนะยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เขามาประชุมกันอย่างไรแล้วอะไรเป็นประธานถ้าเริ่มเข้าใจอย่างนี้ก็เริ่มชัดขึ้น พอเห็นตัวเจตนาศีลชัดขึ้นเจตสิกศีลชัดขึ้นสังวรอวิติมาชัดขึ้นเนี่ยทีนี้จิตในการที่น้องจะเห็นคุณของการรักษามันชัดหนึ่งชัดเห็นโทษของการไม่รักษาก็ที่อีกวันก่อนเนี่ยพูดจันไม่ที่ใช่ไหมถามไม่ถามใครที่บอกว่าถามถึงตรงตาสองข้างจะรักตาสองข้างเจมาถามเขบอกว่าแล้วระหว่างศีลมะตาสองข้างอันไหนอันไหนสําคัญ ใช่ไหมความ ล, ลึกลึกความเข้าใจของศาสตว์โลกที่ยังไม่เข้าใจศีลก็ถึงเราตอบบอกว่าศี ล, ลรับการแตในในใรใใ่ในใจเรามันใช่ไหมใช่ไหมในใจเรามันใช่ศีลหรือเปล่าถ้าจะตอบเพื่อจะเกรงใจคนอื่นฟังเนี่ยบางทีเราตอ บ, บอว่าศี ล, ลรบกันแต่ลึกๆนถ้าจะเสียตากับเสียศีลเนี่ยใช่ไหมเราเลือกอะไรถม่แท้ใช่ไหมถ้าเราถ้าถ้าเราเลือก ถ้าเราเลือกให้เสียศีลเนี่ยเราก็รักษาศีลแบบนี้ที่สุดก็คือมีตาเป็นที่สุดนก็แค่นั่นเองไม่มีอะไรพระเรียกยังมีที่สุดอยู่เมื่อศีลยังมีที่สุดอยู่อย่างนี้จะไปมั่นคงอะไรใช่ไหม <Okay. S 1> มันมีที่สุดอยู่ใช่ไม่ใช่สรุปแล้วคือกล้าที่จะทุ่ศีลได้ถ้ารักษาตาได้อย่างเนี้ยมันก็มันจะไปเผริดอะไระคือสรุปก็คือว่า กล้าที่จะเป็นสตรัสเนีบายสวยความทุกข์อยู่หลายแสนปีแรกก็จะมีชีวิตยอยู่เพียงไม่กี่วันอย่างเงี้ยแค่นี้นะแรกในการที่จะมีตาอยู่เพียงไม่กี่วันเนี้ยอันนี้ก็ก็ต้องคิดให้เป็นมันถึงจะเห็นคุณของสี่นะถ้าเราคิดไม่เป็นจริงไหมยยมสุมาโอมันก็จะมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชลาสามารถเอาตามาได้เพราะเราโกหกอย่างเงี้ยนะ เพราะต้องใช้คําพูดหลอกลวงมาได้เนี่ยเราจึงมีตาอยู่มาได้เนี่ยแม้ถ้าเราไม่โกหกวันนั้นตอนนี้เราแย่แล้วก็มีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ไม่ได้ไอความเข้าใจอย่างนี้มันเป็นความเข้าใจแบบปุุ้ชนผู้ขาดปัญญาเท่านั้นเองเย่ะไหมเย่ะไหมทีนี้ในกรณีเนี่ะประเด็นต่างๆเหล่ า, นนนลาเนี้ยทีนี้คนรักษาศีลเนี่ยเขาไม่ใช่เห็นตรงเลย เขาไม่ใช่เถียนตรงอามายกตัวอย่างหน่อเรื่องท่าเนี่ยท่าเนี่ยขุดหลุมเองไม่ได้ให้คนอื่นขุดดินไม่ได้ให้คนอื่นขุดไม่ได้เป็นอบัตติจิติอย่างงี้นะคืออามาจะขุดเองก็ไม่ได้อามาจะไปใช้เทนนบุช่วยขุดดินนี่หน่อยก็ไม่ได้แต่ท่านก็มีโวหารในการที่จะพูดมีโวหารในการที่จะพูดไม่ เพราะว่าเป็นการใช้วหารที่เป็นการใช้บัญญัติที่ไม่เป็นไปกับการทุศีลเพื่อจะไม่ให้ทุศีลแต่เป็นความเข้าใจในพระธรรมอย่างลึกซึ้งเข้าอีกเห็นไหมเพราะมันมีหลักในการปฏิบัติอาตมาถึงบอกบอกว่ารักษาศีนะอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างสบายและไม่ต้องไปทุศีนด้วยขอให้รักษาศีนด้ปัญญ า, าท่านจึงวางปัญญาไว้จป็นเจตสิกสีเท่าไหร่าง ถ้าไม่มีปัญญาในการมาเกื้อกูลแล้วจะรักษาศีลไม่ได้และมันมีหลักอยู่แม้ในชั้นของพระตถาอจารย์พระดีกาอาจารย์ท่านวางหลักวิธีไว้ให้หมดเลยท่านจะไม่ใช้สัมนวนวัวหารว่าขุดดินท่านจะใช้สัมนวนวัวหารว่าขุดหลุมเห็น ไ, ไหมการขุดหลุมเนี่ยไม่ใช่ขุดดินจริงๆถ้าเรามองเห็นอย่างนี้และเจตนาก็คือทําให้เป็นหลุมอ่ะไม่ใช่ทําดินนั้นให้หายไป แต่ตนเองต้องไม่ทําเองให้บุคคลอื่นทําอย่างนี้เป็นตน้นลักษณะอย่างเนี้ยท่านก็ไม่ต้องเป็นอาบัตอย่างนี้เป็นตน้นเห็นไหมกรณีที่คนที่เขารักษาถ้าทำซ้ำสั่งสอนเนี่ยเป็นเนี่ยเขารักษาตัวได้จริงๆเมื่อกี้อามาได้ยินแว่วๆพูดจริงแม่ตายพูดเอายนะเมื่อกี้ที่ยอมรับ ม, มันต้องยกเป็นประเด็นแล้วมาจะบอกให้ออกว่าทางออกในชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดเท็จเลยเหมือนครั้งก่อนใช่ไหมยมมงคลพูดถึงในเรื่องของค้าขายยังไม่ได้ให้มาพูดในกรณีที่ค้าขายเนี่ยถ้าถามแต่เราบอกราคาก็าไม่บอกราคาต้นทุนถ้ามีคนถามต้นทุนถามว่าทั้งถ้าต้นทุนเราสิ บ, บาทแต่เราไปบอกก็ห้าบาทอันนี้มันทุ่มสี แต่วิธีการไม่ทุศีสเนี่ยมันมีวิธีบอกว่าการค้าขายทุกอย่างมีกำไรมากน้อยตามแต่ตามแต่บุคคลที่จะจะค้าขายคุณต้องสือดูว่าแต่ละที่อันไหนที่เหมาะสมกับคุณแต่เป็นไปไม่ได้ที่ไม่ได้กำไรถึงแม้สิ่งนี้ไม่ได้กำไรก็ก็บวกสิ่งอื่เพื่อเป็นกำไรอันนั้นคือข้อแท้จริงของการค้าขาย ฉะนั้นถ้าบอกไปเนี่ยมันก็ไม่เหมาะมันไม่เป็นธรรมแกร้านอื่นครับถ้าสมมติผมหรือข้าพเจ้าเป็นคนเป็นคนบอกแล้วผมือข้าพเจ้ า, าตน้นทุนที่ต่ําแล้วผมบอกไปตามความจริงเบ็เสร็จก็ไปกระเทือนร้านอื่นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเรื่องต้นทุนไม่ควรไม่ควรเอามาเป็นประเด็นลักประเด็นก็คือคุณต้องดูว่าของที่จะใช้เป็นประโยชน์กับคุณใช่ไหมแล้วก็แล้วคุณพอใจ คุณต้องพิจารณาคุณเป็นผู้ตัดสินใจพิจารณาเราเป็นผู้นําเสนอมันจะไปผิดศีลได้ยังไงกรณีคุยกับแม่ก็เหมือนกันในกรณีที่จะพูดเอาแม่บอกว่าเป็นหมอบอกเป็นโรคอะไรใช่ไหมเป็นโรคมะเร็งใกล้ตายจริงๆใช่ไหมเราจะไปบอกแม่ว่าโรคมะเร็งอันนั้นมันไม่เหมาะไนงะเราก็บอกว่าแม่หมอก็าบอกว่าป่วย เขากำลังพิจารณาในการรักษาอยู่มันมีหลายหลายประเด็นอยู่แม่จะไปใจร้อดตรงนี้ถ้าหายคือหายถ้าไม่หายก็ไม่เห็นเป็นไรทุกคนเกิดมาก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นโรคอะไรไม่สำคัญต่อจะให้เป็นโรคเอชโรคมะเรง็งโรคประสาทโรคอะไรต่งางๆสรุปแล้วตอนนี้ตอนนี้คือแม่ป่วยตอนนี้ก็คือแม่ป่วย ฉะนั้นแม่เมื่อแม่ป่วยสิ่งที่ดีเลยคือการรักษาอย่าไปกังวลเรื่องโรคแต่ให้กังวลว่าเราจะปฏิบัติตัวแล้วก็อยู่อยู่กับโลกได้อยังไงใช่ไหมฉะนั้นประเด็นต่างๆเหล่าเนี้ยสําคัญมากกว่าถ้าพิจารณาอย่างนี้มันก็ชัดใช่ไหมมันก็ชัดเนี่ยในลักษณะอย่างนี้มันก็ชัดเพราะกรณีอย่างการที่เราจะให้ข้อมูลแก่ พ่อแม่เป็นต้นนะผู้มีศีลนั้นเขาจะมีปัญญาโดยยิ่งมมีปัญญานั่นแหละจะมาเกื้อกูลในการที่จะทำให้กุศลศีลนั่นนะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงแล้วยิ่งจะาเป็นคนที่ฉลาดมากถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วว่าคติการะเนี่ยรักษาศีลสิบไม่ใช่สีนแปดด้วยนะรักษาศีลสิบเท่าสมณีเนนะี่ยประพฤติพรมาจรรย์นะ่ะ เป็นผ้า อ, อนาคาทั้งไมมีอาชีพค้าขายด้วค้าขายด้วยนะนี่เราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเขารักษาศีลเรียงพ่อแม่ตาบอดด้วยอันนี้ก็ต้องไปสืบค้นดูแล้วจะเห็นชัดเลยว่าเรื่องศีลไม่ต้องพูดถึงเลยระดับผ้าอนาคาเนี่ยกุศลศีลแข็งแรงสมาธิแข็งแรงเพราะ บุคคลเหล่านี้สามารถอยู่ในสมาบัติได้ไม่ต้องพูดในชั้นถ้าศีลแข็งแรงนี่เป็นตั้งแต่ระดับพระโสดาบันแล้วใช่ไ้ยอันนี้เราก็เห็นแล้วอย่าลืมนะว่านาาปิธิกาเศสศีนางวิสาขามหมาบาสิกาทั้งหลายเนี่ยนะอุบาลีขนาบดีเนี่ยนักการค้านักธุรกิจระดับประเทศระดับประเทศเลยนะไม่ใช่ธรรมดาเลยนะถ้ายัางอุบาลีขณับดีเนี่ยเป็นนักธุรกิจระดับประเทศ ถ้าพูดไปแล้วก็คือระดับแนวหน้าเลยระดับแนวหน้าเลยหรือว่าอาณาถา g n นะนี่พวกกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นระดับแนวหน้าของคนในยุคนะแม้ที่สูงไปกว่านั้นก็คือว่าพระเจ้าพิมพิสารอันนี้เป็นพระเจ้าเป็นดินนั่เลยคลองแฟนมคดเลยพระเจ้าเป็นดินแต่ว่าจะต้องมีการลงโทษสิใช่ไหม เอาละสีแต่เนี้ยก็ลองดูทสเนะ่ะท่านจะต้องอยู่อย่างนั้นน่ะว่าราชการระดับนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะการบริหารประเทศเนี่ยแต่กลายเป็นว่าศีลแข็งแรงที่สุดเนี่ยอันนี้คืออะไรนี่เราก็เป็นข้อคิดเลยว่าจริงๆแนละ้วไม่ใช่ประเด็นว่ารักษาศาีลแล้วจะเป็นฆระวาสไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราหนึ่งมีใครสงสัยประเด็นนี้เราก็ยกตัว อ, อย่างว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เยอะมากก็ลองคิดดูทีว่า ในสาวกถีห้าโกดพริยะรักษาศีลทั้งนั้นใช่ไหมถือดอกไม้ทูบเทียนมานี่พระรยะเต็มไปหมดเสีดาไม่มีเราเว้ไดน้ใช่ไหมตรงนี้ก็อนาจาระอาจาระชัดเจนพอสรุปประเด็นตรงนี้ก็าจะได้รีบเดินไปส่วนอโคจรกับโคจรละนี่ก็คือว่าพิกูุในภาษาศาสนาอย่างนี้ก็คือว่าการที่กบพราชามาทั่วเดรถีสาวกของเีรถี กระหัตผู้ไม่มีศีลเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะการซ่องเศษการเข้าไปหานั่งใกล้สัะกูลทั้งหลายเป็นต้นหญิงทั้งหลายภิ่ษุณีทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ที่จะเป็นโทษต่อพวินัยการคุก ค, คีต่างๆเหล่าเนี้ยตระกูลทั้งหลายเห็นปานเนี้ยสังกูลที่ไม่ศรัทธาตัะกูลที่ไม่เรื่มใสตัะกูลที่ไม่เตรียมตั้งกองตั้งของฉันเป็นต้นโดยสรุปตรงนี้นะประเด็นตรงนี้จริงๆไม่ต้องการแจกรายละเอียดมากที่จริงรายละเอียดมีอยู่ นี่เป็นโครจรคือสถานที่ที่ไม่ควรไปเพราไปแล้วบาปอกุศลธรรมมันเกิดและเป็นเหตุถึงการที่จะทุศีลสภ า, าก็ต้องลาบัดเป็นต้นส่วนโคจาระโครจรก็คือภิกษุในพาษศาสนานี้ก็คือเป็นผู้ไม่น้อมไปหาสุนักของหญิงทั้งหลายนนะแล้วก็ร้านสุราเป็นต้นไม่คุกครีกับพระราชาอมาตเดยรถีสาวกของเดถีคุกคีกับอครหัดที่ไม่สมควร ย่อมซ่องเสกคบหาเข้าไปนั่งใกล้ตระกูลทั้งหลายก็คือตระกูลผู้มีศรัทธาตระกูลผู้เลื่อมใสตระกูลที่เขาจัดเตรียมในการต้อนรับเป็นต้นตระกูลที่รุ่งเรืองไปด้วยผ้ากาเสพัตระกูลที่พุ้งตลบไปด้วยกลิ่นของผ้าดียาทั้งหลายเนี่ยคบหาตระกูลผู้ไข่ประโยชน์ตระกูลพวกเกื้อกูลตระกูลพวกไข่ความผาสุกตระกูลที่เป็นผู้ไข่เกษมจากโยคธาตุ ก็หมายความว่าถ้าพระประดีหรือเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราต้องการจะโครจรไปเที่ยวมาหาสู่และเกิดการไดคพบพระสัมาโคดก็ต้องดูพวกดูตระกูลในการที่เป็นผู้ที่เลื่อมใสเป็นตระกูลที่เป็นผู้มีศรัทธาไม่เหลาะแหละเป็นต้นแล้วเนี่ยนะเป็นตระกูลที่เข้าไปแล้วเนี่ยเขาเห็นใกล้ประโยชน์หรือเป็นตระกูลที่เหมยพระไปมาหาสู่ตลอดนนะืถ้าบ้านใดนะเดี๋ยวพระเข้าพระออกเนะี่ยไปเฮอบ้านนะั้น แสดงว่าตระกูลนั้นเป็นตระกูลที่น่าพกค่าสมาัยถ้าบอกบ้านนี้ไม่มีศรัทธาเนี่ยบ้านอยู่ตระกูลนั้ น, น, นไม่วควรคบเพราะเป็นตระกูลที่ไม่มีศรัทธาเป็นต้นแล้วก็ไม่ค่อประโยชน์ติดสู่เห็นผู้ประกอบประกอบพร้อมแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปใกล้แล้วเนี่ยถึงแล้วถึงพร้อมแล้วเป็นต้นเ น, นะเพราะฉะนั้นพระบรมศ า, ศาสตราจึงตรัสว่าถึงพร้อมได้อาจารยและโคจาระแม้ที่การนี้คาว่าปฏิโมกสังวรสีนี้ก็พึงทราบตามในดังนี้เดียพราณ น, นี้ นี่ใน ล, ลักษณะอย่างนี้ส่วนกรณีเขอาคำว่าอนาจารทางกายกับอนาจารทางวาจาตรงนี้ในรายละเอียดต่างๆเนี่ยถ้าเก็บประเด็นค่อนข้างเยอะมากพูดเป็นการสรุปคือพิสูจในศาสนานี้เป็นไปสู่ที่ประชุมไม่เคารพเนี่ไม่เคารพสงฆ์ยืนนั่งเบียดภิสูจที่เป็นพระเถระเป็นต้นยืนข้างหน้าบ้างนั่งข้างหลังเป็นต้นทีส่ายืนพูดคือพระเถระนั่งและยืนพูด พระเถล่าไม่สวมรองเท้าก็ไปสวมรองเท้าเดินตามเป็นต้นอย่างนี้นะเดินที่จงกรมสูงเป็นต้นอย่างเนี้ยนะก็รายละเอียดค่อนข้างตร ง, งนี้เยอะก็คือเป็นบัญญติที่พระพุทธเจ้าบอกเขาไว้ว่าเป็นอนาจาระทางกาย อ, อนาจาระทางวาจาเกี่ยวในเรื่องการพูดเช่นว่าไปสู่ที่ประชุมสงฆ์ไม่เคารพไม่อาปุดฉาภิกษุชั้งที่เป็นเถล่พูดทำหมายความว่าไม่ขอโอกาสพระเถล่นั่งอยู่เนี้ยแล้วไม่ขอโอกาส ของนี้นะเวลาพระนีย่ยเอาระเบียบของพระยอมเขาไปไข้ควรทานี้เวลามีพระนั่งเป็นอยู่ถ้าพระเทล่านั่งอยู่เนะี่ยถ้าจะกล่าวอะไรต่างๆขึ้นมาต้องขอโอกาสต้องขอโอกาสพระเทล่าที่จะกล่าวก็ทำนะเป็นต้นเหล่าเนี้ยถ้าไม่ขอโอกาสเนี่ยถือว่าเป็นอันเนี่ยนะที่เขเรียกว่าอนาจาระอนาจาระทางวาจารอย่างนี้เป็นต้นนะนะในรายละเอดต่างๆก็คือตามในโคจรในกรณีที่บอกว่ามีสามอย่างก็มีพวก อุปนิสัยโคจร อ, อารักโกจรก็อุปะนี่พันธะโคจรก็ก็คืออุปนิสัยโคจรก็คือการกล่าวด้วยคุณของกระถาวัตถุฟังพุทธวจนะที่ไม่เคยฟังทําพุทธวจนะที่เคยฟังแล้วให้แจ่มเนี่ยก็สิ้นความสงสยททัยทําทฤษฎีให้ถูกต้องทําจิตให้ปองสใยแล้วก็กรณีภิกษุก็สําเนียกตามอยู่ก็เจริญศรัทธาศีสุตตาจาภาฆปัญญากัลยาณมิตรอย่างนี้เขาเรียกอุปนิสัยโคจร ถึกรณีอย่างนี้ถ้าเราเข้าหาเ ข, า ข, อ ข, อ ข, อขอ้าพบว่นี่บุคคลประเภทนี้ผู้นี้มีศีลสุตตัจฉาปัญญาอารักคโคจรก็คือการเดินตามบ้านตามถนนต่างๆนี้ก็มีการที่จะวางทอดสายตาอย่างไรการตั้งกิริยาอย่างไรไม่เหลียวล็อกแหลกไปต้นการเดินบิดาบานเนี่ยอุปนิพันธะโคจรก็เกี่ยวในเรื่องการสติบัฐานธุรธิยถาตัดดูก่อนภิกษุทั้งหลายโคจรของภิกษุได้แก่อะไรได้แก่วิสัยอันเป็นสมบัติของพุทธบิดาของตนเอง คือวิสัยของพระพุทธเจ้าคือสติปัฏฐานพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้พุทธเจ้าบอกว่าพระภิกษุก็ดีนะองค์ภิกษุณีบาศกและบาเจการเนี่ยจะต้องมีอุปนิพันธะโคจรก็แปลว่าจะต้องผูกจิตไว้ผูกจิตไว้กับสติปัฏฐานเป็นต้นกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสนาสุติสานและปะธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานก็ต้องผูกจิตกันไว้โดยสรุปก็คือว่า ตอนณีที่เจอหน้าก็ต้องถามท่านเดินสถิติประธานบอกหนอยอย่างเงี้นะหรืออย่างเราเจอหน้ากันก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยเดินสถิติประฐานบอกหน่ยบอกที่นั่งนั่งอยู่เนี้ยกำลังไข้ควรสิติประฐานบอกหนยบอกไข้ควรเลยผนั่งเราอยากจะยุ่งเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่แล้ว <c oughs> บอกเหมือมาถามแล้วตื่นเลยอย่างนี้ไปโกรธอีกไปโกรธคนถามทีมม่ยุ่งเลยเราก็นี้ว่าแต่เอ๊ะมานั่งห้องนี้แล้วจะมาเจริญสถติประธานจะมา บอกอย่าถามมากเเมื่อกี้กาลังจะหลับได้ที่อยู่เมื่อเชาเนี่ตื่นเลยยุ่งนเข้าใจป่ะท่านนี้ได้ได้สติปัฏฐานไหม ไ, ไม่ได้ไม่มีอุปนิพัน ธ, ธ์ท่าโปรดท่านบอกอย่างนี้ถ้าหากไม่มีสติปัฏฐานเป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่เนี่ยตายเหมือนนกมูลไถเหมือนลูกนกมูลไถใช่ไหมลูกนกมูลไถไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่แม่ก็บอกว่าออกไปหากินจะโดดออกถึงนอกที่ไถยลูก นอกตัวนี้มันคันนองก็โดดออกนอกขี้ที่เจียวเกี่ยวไปกินในศาสนานี้ก็คือเนี่ยพระเจ้าบอกว่าไปไหนอย่าทิ้งศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ไม่เชื่อใช่ไหมไปโดดออกจากศีลตายกันเยอะแล้วตายไปในสังสารวัฏก็คือตกกรบียบภูมิใช่ไหมพระเจ้าก็บอกว่าไปที่ไหนประกอบสิลข้าวเฮ้มีศีลน่ะเป็นไปกับกายกรรมวิจิกรรมนกรกเอาศีลมาดูแล พอไปชินศีเลเสรเสร็จโอ้โหทกรรมเสียหายมัาบาปอันนั้นก็เล่นงานแทนแล้วก็ตกไปในใบยภูมิบ้างตกไปในสังสารวัตรบ้างโทษของการไม่เชื่อพระพุทธเจ้าดีไหมนี่ไม่มีอุปนิพันธ์ทางา้ามีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อยคือมีปกติเห็นโทษที่มนันอันสั่งด้วยว่าต้องอบบาบัตทังเสียเทวะเนี่ยไม่แจ้งด้วยอภิสรจิตเป็นต้นท่านบอกบอกว่าถ้าเป็นพระเห็นอาบัตทุกกฎ ว่ามีความหนักสหัสการเท่ากับขุนเขาสินเ น, น, นืให้เห็นขนาดนั้นนะว่ามีโทษมากเราไม่สมควรเลยเนี่ยว่าเราทำไมเป็นผู้ทุศีพันเพราะในขณะที่ต้องอาบัตเนี่ยตอนนั้นกุศลจิตเกิดหรืออากุศลนั่นแหละต้องการที่จะเก็บไม่ให้อกุศลบาปอากุศลและทำมันเล็กๆน้อยๆนะเกิดขึ้นในกมล้ำสันดาล เราท่านทั้งหลายจึงต้องรักษาศีลป้องกันบาปประกอบด้ธรรมะลามกไม่ให้ไหลท่วมทับกระแสจิตนั่นคือเป้าหมายสมาทานศึกษาอยู่ในสศีขาบททั้งหลายคือศีลใดที่จะพึงศึกษาในสศีขาบททั้งหลายศีลนั้นทั้งหมดเธอถือเอามาศึกษาแล้วก็สมเนียกอยู่ด้วยความเคารพเนียกอยู่มรสิกานอยู่ไข้ควรอยู่เคารพเชื่อฟังในการประพฤติปฏิบัติอยู่นั่นเขาเรียกสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย อันนี้ก็ไปสมาทานศึกษาเป็นชื่อของการฝึกฝนพยายามใช่ไหมคำว่าศึกษาในที่นั้นเป็นชื่อของการฝึกฝนพยายามทำให้มีทาให้เกิดขึ้นศีลต้องทำให้เกิดขึ้นที่ใจใช่ไหมแล้วต่อไปจัดแจงกายกรรมวิจิกรรมไม่ให้กระจัดกระจายด้วยการทุศีลใช่ไหมถ้าอย่างนั้นจะกลายเป็นร่วงละเมิดเพราะจริงๆถ้าอกุศลจิตเกิด แต่ความร่วงละเมิดที่คบกรรมบทยังไม่เกิดก็ได้บางครั้งเกิดแล้วก็ได้เช่นถ้าอภิชาเกิดร่วงละเมิดได้ง่ายมากใช่ไหมหมายความว่าเป็นมโนทุจริตนะได้เลยพยาบาทเกิดก็เป็นมโนทุจริตไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็มิจฉาทิฏฐิเกิดอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้ไม่ออกมาทางกายกรรมวจีกรรมที่เป็นการล่วงละเมิดศีล แต่กลายเป็นความผิดทางมโนกรรมมโนกรรมก็คือว่าอภิชาใช่ไหมนล า, า, า, น า, านลงอบายทุกติวิทยาบทนรกได้พยาบาทก็นําลงอบายทุกติวิทยาบทนรกได้นิจฉาทิฏฐิก็อบายทุกติวิทยาบทนรกเป็นต้นได้เขามีองค์เขาอยู่เช่นอภิชาเนี่ยมีองค์สององค์สองเองไงความโลกเกิดขึ้นใช่ไหม ความโลภเกิดขึ้นแล้วก็มีจิตคิดปรารถนาอยากได้สมบัติหรือสิ่งของนั้นมาเป็นของเราสำเร็จแค่นี้เองแค่นี้ก็ให้ผลในปฏิสิทธิการได้แล้วได้จะทํำยัำยงไงได้จะต้องรู้คําสอนจริงๆว่าความไม่ทุศีลก็ต้องไม่ให้อภิชาเกิดต้องให้อนาธิชานะเกิดต้องไม่ให้พยาบาทเกิดต้องให้อัพยาบาทคือเมตตาเกิดต้องไม่ให้มิจฉาทิฏฐิเกิดคือต้องให้สัมมาทิฏฐิเพื่อไปเข้าใจกรรมและผลของกรรม อ๋อทิศถูกชุกรรมอ๋อเป็นมันอยู่อย่างนี้โยมสมมานไม่พูดเป็นเยอะเดี๋ยวกระีคำว่าเป็นในที่นี้แปลว่าทิศถูกชุกรรมนั้นอ่ะเมื่อพิจารณาเข้าใจเรื่องกรรมเจตนาที่เป็นกรรมอย่างดีเนะ้ทั้งเป็นเจตนาที่ไปเป็นกรรมสิสองนั่นแหละอย่างดีแล้วก็เข้าใจผลของกรรมอย่างเข้าใจ แล้วเมื่อเข้าใจเบ็ดเสร็จแล้วก็เลยตัวปัญญานั้นเลยมาเกื้อกูลในการทํากายกรรมวจีกรรมไม่ให้เกลืนกลน่นไม่ให้กระชัตกระชากเฮ้ยกายกรรมไม่ทุศีนวจีกรรมไม่ทุศีลแล้วก็ประกอบกายกรรมที่มีศีลวจีกรรมที่มีศีนแล้วก็ก็ทําใจให้ไม่โลภไม่โกรธแล้วก็มีปัญญาในการเกื้อหนุนทําการสะอาดวาจาสะอาดแล้วก็จิตใจก็สะอาดเป็นผลปรากฏเก่ดขึ้นเนี่มันเป็นอย่างนี้ ถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นั่นแหละที่ถูกชุ ก, กรรมนะั้นเป็นกุศลแลศีลในมุมนั้นเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วสามารถที่จะเป็นผาชนะหรือเป็นฐานรองรับกุศลแธรรมเบื้องสูงกล่า็คือเป็นที่ประชุมของสติปัฏฐานในต้นได้ก็ะจะเป็นนี้ถ้าเข้าใจแล้วก็จะเริ่มชัดขึ้นปัญญาไปวิจัยปุ๊บก็เกื่อกูลทันทีแล้วเห็นโทษของการทุศีลเห็นคุณของการมีศีลเป็นต้นด้วยตรง น, น, น, นี้ก็ต้องเข้าใจฉะนั้นถ้าเอาศึกษาคําสอนไม่เข้าใจนะ เดินไม่ได้เดินศีลไม่ได้ซึ่งตอนนี้ปัญหาเกิดกันเยอะอันนี้สรุปแล้วปาฏิโมกสังวรศีลจบต่อไปก็ขึ้นอินเดียสังวรศีลเกิดเดียวปาฏิโมกสังวรศีลเนี่ยเป็นตัวศรัทธาเนี่ยศรัทธาที่มีตถาคตตาโพธิศรัทธาเชื่อในปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เชื่อพระเจ้าตัสรู้แล้วเนี่ยนะครับพระเจ้านั้นเห็นประโยชน์แก่เราท่านทั้งหลายมีพระมหากราุณาธิคุณก็ประทานปฏิโมกสังวรศีลให้กับเราท่านทั้งหลายใช่ไหมการประทานปฏิโมกสังวรศีลให้กับเราทั้งหลายารรา น, น, นั่นแหละศีลนั่นแหละก็คือเป็นปัจจัยทําให้เราท่านทั้งหลายนั้นน่ะได้พ้นจากทุกในบใยภูมิเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ทุกในสังสารวัฏ ด, ด้วยการที่ตั้งมั่นในศรัทธานั้นก็เลยต้องการรักษาศีลให้เป็นธรรมบูชา เพราะศีลเกิดขึ้นถือว่าเป็นธรรมบูชาใช่ไหมนั่นแหละเขาือปฏิบัติบูชานั่นเองเพราะตัวธรรมบูชาหรือแต่ปฏิบัติบูชาหลักของเขาคือตัวศีลสมาธิปัญญาถามว่าธรรมบูชาเนี่ยมีอะไรเป็นตัวเกื้อหนุนตัวอมิสซบูชาเป็นตัวเกื้อหนุนเช่นเราจะถวายกุฏิวิหารถวายศาลาการประเรียนหรือถวายที่อยู่อาศัยหรือเครื่องนุ่งหม่มหรือย า, ารกักษาโรค ใช่ไหมอาหารบริโภคอันนี้เป็นอมิสบูชาแต่อามิสบูชาเหล่านี้นี่แหละเราเชื่อปัญญาตรัสรู้พระเจ้าเมื่อเราให้เราสละเราทําในลักษณะอย่างเนี้ยพระเจ้าพูดถึงอั น, นสงการทองทานอยู่ไหมตัวอมิสบูชาเพื่อหนุนธรรมบูชาเมื่อเพื่อหนุนสีเมื่อมีความเข้าใจในเรื่องสีก็พัฒนาจากทานกุศลอย่างเดียวก็พัฒนาไปศู่สีอันนี้ก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ ฉะนั้นตรงนี้ท่านถึงบอกว่าเป็นปาฏิโมกสังวอนสีน์ส่วนว่าประการต่อมาคืออะไรอินทรีย์สังวอนใช่ไหมสติสังวรหรืออินทรีย์สังวร น, นั่นเองถ้านในคําสอนท่านจะพูดถึงที่ตรัสว่ารักขติจกักขุนทรียังเป็นต้นเหล่านี้ยพิสูจย่อมรักษาซึ่งจกักขุนสีย่อมถึงความสํารวมในจกักขุนสีอันนี้ชื่อว่าสติสังวรได้แกอ่อินทรีสังอินทรีย์สังวร่นเดียวกันเนาะตรงนี้ ในอินทรีย์สังวรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในลำดับของปฏิโมกขสังวรศีนเนี่ยนะที่ตรัสไว้ต่อจากปฏิโมกเนี่ยศีในใดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุเห็นรูปด้วยจักสูแล้วไม่ยึดถือซึ่งนิมิตไม่ยึดถือซึ่งอนุพยัญชนะบาปอุติธรรม ท, ทั้งหลายถืออภิชฌาและโทมนัสก็จะไม่ไหลเข้าสู่กระแสใจของภิกษุนั้นเป็นต้นอันนี้เรียกว่าอินทรีย์สังวรสรุปก็คือปิดบาปป้องกันบาป ไม่ให้ไหลใช่เมื่อการกระทบอารมณ์ทางทวารตาหูจมูกลิ้ยงกายใจก็ไม่ให้ลาคาโทสะโมหะหมุนเข้าสู่กระแสสีปิกได้ป้องกันได้อันนี้เป็นอินทรสีสังวรแต่ถ้าบอกรายละเอียดตรงนี้ท่านบอกว่าเห็นรูปด้วยจักภูิญญาณสามารถเห็นรูปได้ซึ่งโดยวัวหารท่านใช้คำว่าเห็นรูปด้วยจักสูนั่นน่ะนะจริงๆแล้วเนี่ย ต, ตาเห็นรูปไม่ได้ใช่ไห เห็นไม่ได้เห็นรูปได้จักสุนัขเนนะ่ยอันนี้ท่านพูดโดยโวหารนะจากสุนั้นเห็นรูปไม่ได้เพราะไม่มีจิตจิตก็เห็นรูปไม่ได้เพราะไม่มีจักสุขแต่เพราะทวารกับอารมณ์กระทบกันบุคคลจึงเห็นรูปได้ด้วยจิตซึ่งมีจกักรประสาทเป็นวัตถุก็และการพูดที่ประกอบด้วยเหตุ น, นี้ย่อมมีได้ด้วยเหมือนอย่างคาว่าคนยิงด้วยธนูเนี่ยเพราะฉะนั้นนะ่ะอธิบายบอกเห็นรูปได้จากสุนัขก็จะแก่ เห็นรูปด้วยจักขูวิญญาณนั่นแหละไม่ใช่เห็นรูปด้วยตาลําพังตาเห็นรูปได้ไหมลําพังจักขูวิญญาณอย่างเดียวเห็นรูปได้ไหมต้องอาศัยอะไรอาศัยปัจจัยอาศัยตัวจักขูทวานอาศัยรูปอารมณ์อย <c oughs> ่างนี้เป็นต้นเหล่าเนี้ยนั้นต้องอาศัยปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ยจักขูวิญญาณก็เกิดขึ้นเป็นต้นเหล่านี้ยโดยสรุปก็คือว่านั่นแหละก็คือการเห็นรูปด้วยจักขูวิญญาณตัวทําทัศนาจริงๆคือตัวจักขูวิญญาณ ไม่ยึดถือซึ่งนิมิตนิมิตของความเป็นหญิงนิมิตของความเป็นชายเป็นต้นหรือนิมิตอันเป็นที่ตั้งของกิเลสนะนะเช่นเห็นว่างามเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าสุขเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี้ยนี่เขาเรียกไปยึดถือโดยนิมิตนิมิตดยความเป็นหญิงนิมิตใยความเป็นชายแล้วก็นิมิตว่างามเนี้ยนะลักษณะนี้เ้าเรียกว่าถือนิมิตดยความประสวยงามโดยความเป็นของเที่ยงแล้วก็ไม่ยึดถืออนุพยาญชนะอันต่างว่ามีปากจมูกเป็นต้นอะไรเนี้ย คือมนุษย์เราเนี่ยถ้าขาดการพิจารณาเราเห็นงามใช่ไหมถ้าเราพิจารณาจริงๆม่ยอมด้านหนึ่งพอพูดมาแล้วคือพูดแล้วมันเหมือนหน้าขำแต่เรื่องจริงแกก็เล่าให้มาฟังแกบอกว่าไดไปเจอยอมผู้หญิงคนหนึ่งงามมาก